ผานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนพลนิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทําศึกสงครามกับนักองจันพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจันหนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบ ก, กับไทยไทยได้รบ ก, กับยวน และยวนได้กระทามหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านานประมาณถึงส4ปีเศษมีข้อความพิสดารวิรฐานในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อ่านามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ส2บสอง กองทัพยวนไล่ตามตีกองทัพไทยครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้พวกครัวยวนเข้ารีดฝรั่งไปตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้วัดส้มเกลี้ยงเหนือบ้านขมิ้เข้ารีดฝรั่งที่เหนือวัดสมรายโปรดเกล้า ให้พระยาวิเศษสงครามฝรั่งเศสนําพวกยวนเข้ารีดชายชกันไปสักท้องมือว่ายวนสวามิภักดิ์ให้มีนายกองปลัดกองนายหมวดนายหมู่กํากับดูแลให้ตั้งธรรมหากินตามภูมิลําเนาแต่ให้อยู่ในบังคับบัญชาของพระยาวิเศษสงครามเพราะเป็นพวกคนเข้ารีดด้วยกันฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชา อย่างตั้งอยู่ที่เมืองโจโดกนั้นผู้คนในกองทัพไทยป่วยไข้ล้มตายด้วยอดอาหารบ้างและตายด้วยไข้ป่วงบ้างครั้งนั้นหลวงกินดารักไปลาดตะเวนถึงตำบลในคลองวามนาวที่ขุงไผ่เหลืองจับพวกยวนชาวป่ามาหาปลาได้สองคนนํามาส่งให้ท่านเจ้าพระยาบรินเดชาเจ้าพระยาบินเดชาให้ล่ามถามให้การว่า ได้ยินขา่าวเขาเล่ากันต่อมาว่าหยวนที่ค่ายก่อแตงจะยกทัพ บ, บกทัพเรือมาตีไทยที่เมืองโจโดกอีกการหนี้จะเพชรจริงอันใดหาแจ้งไม่เพราะได้ยินต่อมาจากปากพวกยวนชาวป่าหาปลาด้วยกันเจ้าพระยาบดินเดชาว่าคิดไปหน้าสงศาลไอ้ยวนชาวป่าสองคนนี้ ครั้นจะปล่อยให้ไปบ้านมันก็กลัวว่ามันจะเก็บเอาความของเราที่มันได้มาเห็นว่าพวกเราป่วยไข้ล้มตายมากดังนี้ก็จะเป็นทีให้มันไปบอกแก่พวกมันมาทำแก่เราหาควรจะปล่อยไปไหมครั้นจะฆ่าเสียก็สงสารสังเวชหนะักเพราะไม่มีความผิดและหาใช่ฆ่าศึกไม่เป็นคนยากจนชาวป่าจริงๆไม่ควรจะฆ่าเลย แต่จําเป็นจะต้องเอามันไปด้วยครั้นได้ข่าวศึกยวนว่าจะยกมาตีเราอีกดังนั้นแล้วซึ่งเราจะอยู่ที่เมืองโจดกนี้เห็นจะเสียท่วงทีแก่ข่าศึกยวนเป็นแน่จึงได้มีบัญชาแก่พระยาพระหลวงนายทัพนายกองว่าพวกเราจะตั้งรับทัพยวนอยู่ที่เมืองโจดกนี้ไม่ได้จําเป็นจะต้องล่าทัพ ถอยไปพักที่เมืองขเมศก่อนจะได้บำรุงพลช้างมาโยธาหานให้บริบูรณ์แล้วจะได้กําลังพวกขเมศนักองอิมนักองค์ล่วงให้แกนขเมศหัวเมืองมาสมทบทัพไทยอีกได้พลมากแล้วเมื่อใดจะได้นัดหมายทัพเรือเจ้าพระยาพระทังที่เมืองจันท บ, บรุรีให้ต่อเรือรบขึ้นสักร้อยําเศษจะได้ยกมาพร้อมกันทําศึกกับยวนอีก แก้ฝีมือกับยวนร้องดูอีกคราวหนึ่งจะคิดตีเมืองใส่งอนกรุงเวยยวนทูลเกล้าถวายให้ได้ตามพระราชประสงค์จึงจะชอบด้วยราชการที่ทรงพระมหากรุณาสุปเปลี่ยนเราให้เป็นแม่ทัพใหญ่หาควรจะคิดทอถอยไม่แต่ครั้งนี้ต้องจำเป็นจะทิ้งเมืองโจดกเสียก่อนคิดผ่อนล่าทัพไปเมืองขมียนก่อนแต่ว่า ถ้าเราล่าทักถอยไปจากมืองโจดกบียวนคงจะยกทักบกออกก้าวสกัดตามตีกองทักบกเราที่ล่าไปนั้นเป็นมั่นคงแต่เราจะล่าไปตรงตรงไม่ได้จำจะต้องคิดอุบายไว้ข้างหลังเป็นการระวังรักษาตัวเราเผื่อว่าถ้ายวนตามมาข้างหลังคงจะต้องถูกกลอนอุบายของเราทุกแห่งถ้ายวนตามมาถูกกลนอุบายเราแล้ว พวกยวนคงจะตายไปเองพวกหลังจะตามมาอีกจะได้เหตุขยาดความคิดกลนอบายไทยบ้างหยวนจะไม่อาจสามารถยกมาตามตีกองทัพเราเราจะได้เดินทัพลาถอยไปได้โดยสะดวกฝ่ายพระยาพระหลวงนายทัพนในกองทัพบวงก็เห็นชอบด้วยความคิดเจ้าพระยาบุญินเดชาจึงได้มีบัญชาสั่งพระพรหมบริลักษณ์ บทผู้ใหญ่ให้คุมไพรพนพันหนึ่งยกไปทํากลอุบายไว้ตามทางซึ่งจะเดินกองทัพล่าถอยไปยังเมืองขมรนั้นเป็นกลอุบายไว้สีต่ตำบลและกลอุบายนั้นก็ต่างๆกันทั้งสีต่ตำบลแล้วเจ้าพระยาบริณเดชาสั่งพระยาวิชิตนรงกับพระพลสงครามเหมืองกำแพงเพชรให้คุมกองทัพที่คนทุพพลภาพป่วยไข้นั้นบรรทุกช้างเกวียนกับโคต่าง ยกออกจากเมืองโจโดกเดินล่วงหน้าไปก่อนแปดวันแล้วให้พระปลัดเมืองนคร น, นายกกับพระพิเดศข้าหลวงในกรุงหนึ่งหลวงพิพิษพักดีหนึ่งหลวงศีนรงค์หนึ่งขุมกองทัพเมืองนคร น, น, น, นายก4ี่ร้อยคนเดินแฝงป้องกันรักษาคนที่ทุพพลภาพป่วยไขย้ไปให้ถึงเมืองเชิงกระชุมเขมีนอย่าให้เป็นอันตรายกลางทางได้ในวันนั้นสั่งพระมหาสงครามกับหลวงวิสุทธโยธามาต คุมพลทหารสามร้อยคนให้ขนข้าวเปลือกและข้าวสารในเมืองโจดกบรรทุกโคต่างสี่พันให้ไล่ต้อนไปก่อนให้ถึงเมืองขมรชื่อเมืองเชิงกระชุมให้ตั้งพักอยู่ที่นั่นจะได้ใช้ราชการต่อไปให้พระยาเพชรรักกับพระวิชิตสงครามข่าหลวงในพระราชวังบวรคุงมพลทัพขมิเมืองพนมเปญห้าร้อยคนหาบคอนสเสบียงอาหารไปจากเมืองโจดก ให้ยกไปยังเมืองเชิงกระชุมกองทัพที่ว่ามานี้ทุ ก, กองได้ออกเดินทัพไปเป็นลำดับกันไปก่อนแปดวันแล้วพอกองทัพยวนยกเรือรบมาทอดอยู่ห่างเมืองโจดกทางประมาณห้าหกสิบเส้นแต่เป็นทัพเรือเล็กมีมาน้อยลำจึงไม่กล้ายกเข้ามาตั้งใกล้เมืองโจดกเห็นทีจะคอยทัพเรือใหญ่เป็นมั่นคงครั้งนั้นที่เมืองโจดก ได้ทำลายล้างกำแพงเมืองและป้อมหอรบเสียก่อนที่ทัพเรือยวนมาถึงนั้นหลายวันแล้วขันเห็นกองทัพเรือยวนมาแต่ไกลก็ให้นำไฟจุดเผาเยาเรือนยุงฉางที่ขนข้าวปลาอาหารไปไม่หมดนั้นเผาเสียสิน้นขันลากกลิ้งปืนใหญ่ทิ้งน้ำเสียหมดแล้วในวันนั้นเวลาสิบเอ็ดทุ่มดาวกะระพรกขึ้นสว่างเห็นหนทางป่าบ้างแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งพระยา ราชสงครามผลทหารกองหน้ายกออกจากเมืองโจด ก, ก่อนทุกทัพแล้วสั่งพระยาจ่าแสนดีสีบริบาลให้คุมกองทัพช้างกองพระยาเพียราชาช้างร้อยเศษมีไพรพลเดินเท้าห้าร้อยคนอยู่หลังหลังสั่งให้พระยาเกียรติพระยารามคุมกองรามันสองพันยกไปทางฝั่งตะวันออกให้ไปรักษาต้นทางที่ยวนจะยกทัพ บ, บกมาก้าวสกัดตามตีทัพใหญ่ เมื่อยกล่าถอยไปนั้นให้กองช้างวังหน้าพระยาประกิตนุรักษ์บรรทุกปืนบ้าเหลี่ยมปืนหามแล่นขานกยางของอยวนในเมืองโจดกขนบรรทุกหลังช้างยกเดินไปก่อนทัพใหญ่ฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาทําลายล้างเมืองโจดกยกออกไปตามทางปา่าถึงที่ริมหนองน้ํำตาบลหนึ่งขเขมินําทางเรียกชื่อว่าตะพังสะกรวย แปลเป็นภาษาไทยว่าหนองปลือเจ้าพระยาบรินเดชาสั่งให้หยุดกองทัพที่ริมหนองปลือครู่หนึ่งเพื่อจะตรวจดูกลอุบายซึ่งพระพรมบริลักษ์ผู้บุตรทำไว้ที่กลางทางริมหนองปลือนั้นตำบนหนึ่งคือทำเป็นกลนอบายขุดหลุมตามทางใหญ่หลายสิบหลุมหลุมหนึ่งลึกสามศอกสี่ศอกนำเลนเหลาหอกปักไว้ในหลุมเต็มทุกหลุมแล้วนาไม้ไผ่ขัดแตะปิดปากหลุม เสร็จแล้วจึงให้คนไปแทะบินที่มีหญ้าติดอยู่นั้นมาปิดปากหลุมทำการให้เรียบร้อยสนิทสนมเป็นพื้นแผ่นดินดีอย่างเดิมโดยปกติเมื่อเจ้าพระยาบรินดีชาเห็นกลอุบายที่บุรกระทําถูกต้องตามคาสั่งไปทุกประการแล้วก็มีความยินดียิ่งนักจึงสั่งให้พักทหารที่นั่นให้รีพลหุงหาอาหารรับประทานเสร็จแล้วพอเวลาบ่ายให้กองหน้า เดินทับยกเป็นลำดับต่อไปยกจากหน้องปลือเดินทับไปในเวลากลางคืนจนเวลาสามยามเศษถึงที่ป่าเตือนแห่งหนึ่งขเมนนำทางเรียกชื่อตาบล น, นั้นว่าตำนาไพลดะกูแปลเป็นภาษาไทยว่าลำลาดปาตะโกเป็นคลองเก่าโบราณกว้างขวางแต่เดี๋ยวนี้ตื้นดอนแห้งไม่มีน้ำเลย เป็นลำลาดกว้างมีต้นตะโกขึ้นมากจึงเรียกชื่อว่าลำลาดป่าตะโกเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งให้หยุดกองทัพที่ตำบลลำลาดปาตะโกเพื่อจะพักผ่อนให้พนทหารนอนแล้วจะได้ตรวจดูกลนอุบายซึ่งบุตรชายมาทำไว้ในตำบลที่สองนี้เป็นอย่างไรบ้างจ ะ, จะถูกตามคำสั่งหรือไม่ ในเมื่อกองทัพเจ้าพระยาบดินเดชายกทัพออกจากเมืองโจดกไปได้สิบสองวันแล้วองค์เผอแม่ทัพใหญ่ฝ่ายยวนยกทัพมาถึงเมืองโจดกเห็นไฟไม้บ้านยับเยินหมดแล้วก็เข้าใจว่าทัพไทยเผาเสร็แล้วหนีไปจึงสั่งให้องค์ทุลำแม่ทัพเรืออยู่รักษาเมืองโจดกแล้วองค์เผอแม่ทัพใหญ่ให้องค์กวางโดยหนึ่งองลำโดยหนึ่งเป็นแม่ทัพทั้งสองคน จะได้ช่วยกันคิดราชการให้คุมพลทหารยวนกองละแปดร้อยสองทัพให้รีบไปติดตามตีกองทัพไทยที่ล่าหนีไปจากเมืองโจรกนั้นให้ตามไปจนถึงเมืองขเมนทีเดียวแต่องค์เผอนั้นหยุดอยู่จัดการแบ่งกองทัพจะยกไปตีเมืองบรรทายมาด้วยและคอยกองทัพทางบกจะยกมาเพิ่มเติมอีกจะได้จัดให้ไปตามตีกองทัพไทยต่างๆที่ยังเดินทัพอยู่กลางป่าจะไปเมืองไส้ง่อนนั้น จะตามตีให้แตกเสียหมดทุกกองกําลังไทยจะได้น้อยลงแล้วจะได้ยกกองทัพใหญ่ไปตีเมืองเขมรคืนให้นักองค์จันทร์นักองค์ร่วงตามท้องปลาซึ่งพระเจ้าเวียดนามโปรดมาอย่างนั้นครันองค์เผอตั้งทัพใหญ่อยู่ที่เมืองโจโดกนั้นแล้วฝ่ายองคกวางโดยและองค์ลำโดยแม่ทัพทั้งสองนั้นขุ้งพลทหารพันหกร้อยคนเดินทัพมาถึงหนองปลือกองทัพหน้านั้น ก็ตกลงในหลุมทุกๆหลุมผลยวนถูกเหลาแหลนหอกเสียบตายและลําบากเป็นอันมากยวนตายครั้งนั้นร้อยเศษนายทัพนายกองนําความนั้นไปแจ้งแก่องค์ลำโดยและองค์กวางโดยแม่ทัพแม่ทัพได้ทราบดังนั้นแล้วก็ไม่โกรธเลยกลับหัวเราะเยาะกลอุบายไทยที่ทําไว้นั้นแล้วพูดจาว่าไทยทำกลนอุบายนี้เหมือนความคิดเด็กทารก ที่ไม่รู้จักเดียงสามีแต่จะกินนมมารดาอิ่มแล้วก็จะวิ่งเล่นเท่านั้นหารู้จักการประมาณได้เสียแพ้ชนะไม่เหมือนเช่นไทยทำก้นอุบายดังนี้ถึงตายร้อยคนยวนไม่เสียใจเลยเหมือนธรรมดาตกเบ็ดเสียสัตว์ที่เกี่ยวเบ็ดเป็นเหยื่อหนึ่งแล้วได้ปลาถึงร้อยพันชั้นใดยวนตายร้อยคนจะได้คนไทยใช้พันหนึ่ง และเรารู้จักน้ำใจแม่พักไทยแล้วในครั้งนี้ต่อไปข้างหน้าญวนจะไม่ตายด้วยค้นอุบายไทยอย่างนี้เลยองค์กวางโดยองค์ลำโดยพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งนายทหารกองหน้าให้ตัดไม้ในป่าที่มีง่ามให้ขำยาวสิบศอกสักร้อยสองร้อยอันให้ทหารกองหน้าถือไม้สักขำไปตามทางข้างหน้าเพื่อว่ามีหลุมอีกจะได้รู้โดยง่าย เราทำดังนี้แล้วอุบายไทยที่ทำไว้นั้นจะทำอะไรแก่เราได้เล่าให้เดินกองทัพต่อไปเถิดฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาหยุดพักพลทหาร น, นอนอยู่ที่ตำบลลาดปาตะโกนั้นครันรุ่งเช้าขึ้นจึงตรวจดูกลอุบายที่บุตรชายทำไว้ในตำบลที่สองณนะลำลาดปาตะโกนี้คือขุดหลุมตามทางซึ่งยวนจะเดินมาดังเช่นทาแล้วแต่น้องปลือนั้น แต่ที่ลำลาศตาตะโกนี้ในหลุมไม่มีไม้เหลาแลหอกปักไว้ดังเช่นแต่ก่อนนั้นเลยมีแต่รังแตนรังพึ่งเต็มไปทุกหลุมปากหลุมที่นี่ก็ปิดดังเช่นทำมาแต่ก่อนเหมือนกันเมื่อเจ้าพระยาบดินเดชาเห็นกลนอบายซึ่งบุตรชายทำไว้ในที่คำรับสองนี้ถูกต้องตามคำสั่งไปนั้นทุกประการแล้วจึงสั่งพลทหารกองหน้า ให้เดินทัพออกจากตำบลลาดปาตะโกในเวลาเชา้าหรีพลหุงหาอาหารรับประทานเสร็จแล้วก็เดินทัพเป็นลำดับต่อไปแต่ระยะทางนี้กว่าจะถึงที่พักซึ่งทำกลอุบายไว้ในที่คำรบสามนั้นทางไกลหลายคืนจึงสั่งให้พระยาอัสดาเรืองเดชจางวางกรุมพระตำรวจในพระราชวังบวรขุมพลทหารมาอยู่ข้างหลัง ให้คอยฟังข่าวทัพยวนจะยกมามากน้อยไกลใกล้ประการใดก็ให้แต่งม้าเร็วใช้รีบเร่งสวนทางขึ้นมาบอกให้แจ้งด้วยครั้งนั้นเป็นการล่าทัพหนียวนโดยเร็วจึงสั่งให้ทัพช้างปองพระยาเพชราชาซึ่งเจ้าพระยาจาเสนาบดีคุมกากับมานั้นให้รีบเร่งเดินช้างบรรทุกปืนใหญ่ไปเมืองขมิเสียก่อนทัพให ญ, ใหญ่จะต้องเดินรอรอไป เพราะเป็นทัพลำลองเดินเท้ามากถึงช้างก็มีแต่ช้างใช้สอยหาใช้ช้างบรรทุกปืนไม่ครั้งนั้นพระยาจ่าแสนบดีกับพระยาเพชราชาคุมทัพช้างมีปืนใหญ่เดินไปทางดงตัดตรงไปเมืองพนมเปนทีเดียวแบ่งช้างสามสิบเชือกให้หลวงนรินทร์ทศกรวางหน้าคุมมาพร้อมกับช้างห้าสิบเชือกให้หลวงขัชศักดิ์คุมมาในกองทัพเจ้าพระยาบรินเดชา รวมทั้งวังหลวงวางหน้าแปดสิบเชือกพอเป็นกําลังพาหนะเดินทัพปลาหนีมาครันกองทัพยวนองค์ลำํำดวยองค์กวางโดยเดินทัพรุกมาใกล้ที่ตําบลลาดป่าตะโกพอทันกองทัพพระยาอัศดาเรืองเดชเดินทัพล้าหลังอยู่นั้นพระยาอัศดาเรืองเดชไล่ต้อนพลทหารให้กลับหน้าไปต่อสู้กับยวนยวนก็ยิงปืนระดมขึ้นไป ไทยกับยวนได้สู้รบกันที่นั่นตั้งแต่เช้าจนเที่ยงฝ่ายไทยก็เป็นทัพม้าทั้งสิ้นฝ่ายยวนก็เป็นทัพม้าด้วยต่อสู้กันอยู่ช้านานยวนนาปืนหลังมา้ากระสุนหนัก5้าสลึงยิงไปถูกพระยาอสัสดาเรืองเดชตกม้าลงตายในที่รบขณะนั้นหมื่นหารหัวหมื่นพระตารวจในพระราชวังบวรเฉวยปืนและดาบที่มือพระยาอสัสดาเรืองเดชซึ่งตายอยู่นั้น โดดขึ้นหลังมาแทนพระยาอัศดาเรืองเดชชักม้าเป็นบาดย่างสะเทินเข้าต่อรบสู้กับนายทัพยวนจนถึงตะลุมบอลด้วยอาวุธสั้นฝ่ายนายทัพม้ายวนกองหน้าขึ้นม้าถอดดาบออกจากปักแล้วชักมา้าตรงเข้ามาใกล้ไล่ฟันพลทหารม้าไทยล้มตายลงเป็นอันมากที่ชักมา้าหนีเข้าป่าไปเสียก็มีบ้างหมื่นหารเห็นดังนั้นแล้วจึงควบมา้าไล่ต้อนพลทหารที่หนีนั้นฟันตายเสียสี่คน พลทหารม้าไทยเห็นมื่นหานทําอํานาจดังนั้นแล้วก็กลัวจึงชักม้ากลับหน้ามาต่อสู้กับทหารม้ายวนหยวนกับทหารม้าไทยรบกันที่นั่นจนถึงอาวสั้นจะยิงปืนหลังม้าไม่ทันจึงชักดาบเข้าฟันกันเป็นสามาชแต่ทหารม้ายวนครั้งนั้นใช้กัน้นหยั่นสั้นๆทหารม้าไทยใช้ดาบยาวๆจึงฟันถูกทหารยวนก่อนยวนตายมากประมาณหกสิบคนเศษขณะนั้น หมื่นหารชักม้าหนีม้าแอบต้นไม้ใหญ่ริมทางที่รบกันนั้นเพื่อจะคอยป้องกันไล่ต้อนทหารหมาไทยให้เข้าต่อสู้ฆ่ายวนให้แพ้แตกนี้ไปให้ได้ครั้งนั้นนายทัพยวนขึ้นม้าชักม้าตรงเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่ยวนไล่ฟันหมื่นหารหมื่นหารชักหมาหนีลบหลีกยวนอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ฝ่ายยวนชักม้าไล่วนกันอยู่ที่ต้นไม้สามสี่รอก ฝ่ายมืนหานชักหมาทําท่าทางที่จะหนียวนเห็นดังนั้นก็ชักหมาโจมไล่ฟันมื่นหานมืม่นหาร ท, ทําทีเป็นไม่สู้แล้วก็ชักหมาควบหนียวนยวนชักม้าไล่ตามไปในป่าหามีทหารเลวตามไปไม่มื่นหารจึงชักหมาหยุดหันหน้ามารับยวนยวนจะชักหมาให้หยุดก็ไม่ทันหมาหยวนเลยไปถึงหน้ามื่นหานมืนหารชักดาบ ฝันฟาดนายทัพม้ายวนลงไปเต็มแรงถูกบ่าด้ายขาตลอดลงไปถึงใต้ราวหนุ่มก็ตายอยู่บนหลังมา้าแล้วศพยวนก็ตกลงมาถึงดินมื่นหารโดดลงจากหลังมา้าตัดสีรษะยวนนายทหารมาได้แล้วแก้ผ้าแพรสีน้ำเงินที่พวกศีรษะนายทหารม้านั้นหอศีสษะศพผูกอานมาควบกลับมาหาพวกคนทหารม้าไทยแล้วสั่งให้คนทหารไปไล่ตามจับม้าของนายทหารยวนมาได้ เป็นม้าเทศสูงใหญ่สีขาวสะอาดงามนักขณะนั้นพวกทหารมายวนเห็นนายทัพเสียทีตายแล้วที่หนีก็มีบ้างที่ยิงปืนไล่ฟันไทยก็บ้างมื่นหานเห็นพวกยวนยกเพิ่มเติมมาอีกทั้งทหารเดินเท้าก็มากจึงได้รวบรวมฐานม้าไทยในกองพระยาอาัสดานั้นได้บ้าง ก็รีบยกกล้าหนีมาสู้พลางหนีถอยมาพลางจนผลที่รบกันนั้นแล้วก็เร่งรีบไปทั้งกลางวันกลางคืนจนถึงกองทัพเจ้าพระยาบดินเดชาเข้าไปแจ้งข้อรัชการกับเจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาจึงตั้งมื่นหานให้เป็นที่พระกำจรใจราบเจ้ากรมพระตำรวจหลังในพระราชวังบวรแล้วมีบอกความชอบมื่นหานที่ได้รับรัชการแล้วตั้งให้ เป็นพระกำจรใจราษนั้นเข้ามากราบทูลยังกรุงเทพอานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิบสองกองทัพยวนไล่ตามตีกองทัพไทยกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป